อันธรรมยังธรรมาภิตุติงการโมะเซโยโซสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมนันใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว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 โอปายิโก ah เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตะโภบินยูฮีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนต่ามังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตามานั่งท ร, รมังศิราสานา ม, ามีข้าพระเจ้านอบน้อมประธรรมนั้นด้วยเสียนกล้าว